วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทำไมจึงว่าเป็นวันสำคัญเพราะว่าเป็นวันข้าวประดับดินเป็นวันสำคัญทางพี่น้องชาวพื้นเบืองอีสานของพวกเราถือกันมาตั้งแต่โบ ร, โบราณวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสิงหาคมห้าสอง เป็นวันพระใหญ่และก็เป็นวันเข้าพรรษามากลึงึงพรรษาพอดีคือพรรษาของเราในสามเดือนแต่วันนี้เข้าพรรษามาเดือนกับสิบห้าวันเป็นวันกลึ่งพัรษาแล้วก็เป็นวันข้าวประดับดินถือกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย พระท่นจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสาคัญวันหนึ่งแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้มาให้ทานและก็สัมาทานศีลแลวก็วันนี้เป็นวันพระปฏิโมกของพระสงฆ์ด้วยรู้สึกว่ากิจกรรมของพวกเราวันนี้รู้สึกว่าหลายๆอย่างถืงอยังไงก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อมาถึงวันเช่นนี้ก็ไม่ควรจะมองข้ามเพราะคนโบ ร, มมราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราได้ถือกันมาและปฏิบัติสรุปแล้วถือมาในทางที่ดีนะไม่ใช่ว่าถือมาแบบประเพณีถือกันมาแล้วก็ถือกันไปแต่เราวิเคราะห์ด้วยเหตุผลแล้วท่านก็ได้ถือกันมา เหมือนกับเป็นวันสำคัญถ้าว่าพวกเราวันไหนก็ไม่ใหตความสำคัญวันไหนก็วันเก่าอย่างนี้ก็มันก็อะไรหาความสำคัญไม่ได้อย่างวันมาฆวิสาขวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันเกิดและวันศาสนาอื่นๆเขาก็ยังมีนะ เขาก็ยังมีอย่างในครั้งพุทธการศาสนาอื่นเขามีวันทำบุญ8ดคำ่ำสบห้าค่าแต่พุทธาศาสนาไม่มีพระเจ้าพิมพิสารก็เข้าไปกราบราธนาไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ บ, บัญญัติขึ้นมาเอาต่อนนี้ไปวัน8ดคำ่ำสห้าค่าเป็นวันฟังฟังธรรมเป็นวันปฏิบัติธรรม จึงมีมาในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าสรุปแล้วก็คือเป็นวันแต่งตั้งขึ้นมาเองเป็นวันสมมุติขึ้นมาในเมื่อสมมุติแล้วแล้วก็เรามาพิจารณาสมมุตินั้นมีความหมายไหมมีแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติหรือพระเจ้าพิมพ์พิสารไม่กราบราตนาพระพุทธเจ้าก็ไม่มีวันพระ8คดข่่มสิบห้าข่่ขึ้นมา ก็เลยตมเลยอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าเรามีวันพระแปดค่ำสิบห้าค่าเลก็เป็นวันพอเหมาะสำหรับศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทที่จะได้มาพบมาเจอกันมีอะไรก็จะได้ปรึกษาปารถกันจะได้แนะนำสั่งสอนให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือเป็นประเพณีนี้ก็เหมือนกันวันข้าวประดับดินหรือว่าบุญข้าวฉลาก ที่วันเดือนสิบเพนวันเพนข้างหน้าเนี่ยอันนี้เป็นเดือนเก้าดับต่อไปก็เป็นเดือนสิบเพนวันเดือนเก้าดับนี่ว่าเป็นข้าวประดับดินคนโบราณถือกันมาตั้งแต่ไหนแต่รายพวกเราก็ไม่รู้ว่าถือกันมาแต่ยุคไหนสมัยไหนแต่ภาคอื่นเขาก็ถือไปอีกแบบหนึง่งการเรียกทางภาคเหนือเขาเรียกว่าปลอยหลวง ทำปอยทำบุญแล้วก็อีกกาหนดอีกอย่างหนึ่งทางภาคกลางทางภาคใต้แต่ทางภาคอีสานเรากาหนดว่าบุญข้าประดับดินสรุปแล้วก็คือเป็นการทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลต่อบรรพชนของพวกเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเมื่อเช้านี้แล้วก็ล้วงพ่อก็ได้ พูดว่าพวกเราได้ทําบุญประมวลมาในทําบุญทั้งปีในปีนี้หรือว่าก่อนหน้านี้บุญกุศลที่พวกเราได้ทํามากน้อยก็ให้น้อมลําลึกถึงมอบให้หรือว่าอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ต่อดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ า, า, า, านาญาติญาติมิตรสหายตลอดถึงภูมิมะลุกขะเทวดา ดวงวิญญาณไหนที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราก็พร้อมที่จะแบ่งบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมมาให้แก่พวกท่านเหล่านั้นทั่วถึงกันเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่นทั่วไรโลกธาตุก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราท่านทั้งหลายนี่ได้ทำบุญ ที่พวกเราได้ทำแล้วแบ่งให้คนอื่นหมดจะไม่หมดเลออันนี้พระพุทธเจา้าท่านก็ตรัสบอกเอาไว้เรื่องวิญญาณหรือบุญกุศลที่พวกเราได้ทำไว้นั้นเหมือนกับเรามีเทียนเล่มหนึ่งเราจุดเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วคนอื่นๆเขาอยากจะได้ไฟจากเราไปเขาก็เอาเทียนของเขามาจุด จากเทียงของเราไปไฟของเราที่เขาจุดไปนั้นพ่องไหมอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านท่านตรัสสอนเอาไว้ในพระไตรปิฎกคนที่ได้ไปได้เต็มเหมือนกับของเราไหมได้เต็มเหมือนของเราของเราในบกพ่องไหมไม่บกพ่องอันนี้ก็เหมือนกันท่านว่างนันบุญกุศลที่อยู่ในจิตใจของเราถึงเราจะอุทิศไปยังไงบุญกุศลของเราก็ยังเต็มเปี่ยม ผู้ที่ได้ไปก็คือได้จากพวกเราไปเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องกลัวอดว่าเมื่อเราทําบุญอุทิศแล้วอย่าไปคิดว่าบุญจะหมดออกไปจากจิตใจของพวกเราพวกเราพร้อมที่จะได้บุญกุศลเพิ่มเติมอีกเป็นการอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณนะเะนั้นพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวัน สำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้วก็เป็นวันทาบุญุทิ์ส่วนกุศลแล้วอย่างวิญญาณพวกพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราถ้าว่าท่านตกทุกข์ไรยากท่านก็คงล้ำลึกเออวันนี้วันข้าวประดับดินแล้ววันฉลากกระพัดเนี่ยลูกหลานได้ทาบุญุทธิ์ให้แก่เราบ้างหรือเปล่าหนะ่า เ, เราได้ตกทุกข์ไรยากขึ้นมาแล้วนะี่ย บางทีท่านเหล่านั้นอาจจะมาคอยพวกเราอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราได้ทําบุญไหนะว้พระสวดมนต์ได้นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราเราได้ทำํำเราก็น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลที่พวกเราได้ทํา ไ, ไว้นั้นขอให้ดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราขอให้ได้รับบุญกุศลอย่างเต็มเปี่ยม ที่พวกเราได้ทำบุญในวันนี้แล้วก็ครั้งไหนก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราได้ทำบุญก็ขอให้พวกเราทุกท่านอุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงบรรพชนของพวกเราทุกๆครั้งอันนั่นจะเป็นเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางโลกทั้งโลกอยู่ด้วยกันด้วยมีน้าใจด้วยมีเมตตาต่อกันก็จะมีความสงบพร่มเย็นเป็นชุกท่วนหน้ากันนะ อันนี้กขขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทำบุญทำทานขึ้นมาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอันนี้คือทานทานศีลศีลก็คือรักษากายวาจาของเราอีกเหมือนกันอย่างมือเช้าพวกเราก็ได้สมาทานศีลห้าบางังศีลอุโบสถศีลบ้างศีลห้าก็คื อ, อพวกเราได้ยินได้ฟังหลวงพ่ออธิบายให้ฟังอย่างมากมาย แล้วก็สินอุโบสถก็คือสินแปดลุงพ่อก็ได้อธิบายให้ฟังสินแปดนี่เป็นสินขัดเกลากิเลสไม่ให้การเป็นอยู่าทางลิ้นทางกายาทางตาทางหูทางจมูก อ, อันนี้ก็คือสินแปดแต่สินห้าเนี่ยคือสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษถ้าคนมีสินดีแล้ว กเหมือนกับเรามีฐานฐานจิตฐานใจของพวกเราเหมือนกับตึกรานบ้านช่องสะพานถนนหนทางอาคารต่างๆทวาฐานดีการปลูกสร้างอะไรขึ้นไปมันก็ดีเพราะเหตุไรเพราะฐานดีนี่ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายมีสินดีคือฐานดีเมื่อสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตขึ้นไปก็จะ สวยงามเพราะเหตุใดเพราะฐานคือการประพฤติของพวกเราดีคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเราระลึกขึ้นมาเมื่ อ, อไหรเราก็ไม่ได้คิดทำความชั่วช้าเสียหายมีแต่ความดีมีแต่พวกเราก็ททำความดีโดยสม่าเสมอมาตลอดในเมื่อเราคิดระลึกถึงอดีตหรือในในปัจจุบันเราก็ทำดี พอดีสินของเราบริสุทธิ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพ่องไม่วิตกกังวลในเรื่องราว เ, เรื่องราว ท, ที่ผ่านมาในนี้เวลาเราจะนั่งสมาธิจิตใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะฐานของเราดีสินของเราบริสุทธิ์แต่ถ้าว่าพวกเราไปพึ่งไปฆ่าไป ข, ไปขโมยขอมาประพืติผิด เอ่อต่อสามีภรรยาของเขามาอ่ไปโกหกของเขามาไปดื่มสุรามาแล้วมานั่งภาวนาพวกเรานึกนกคิดดูให้ดีก็แล้วกันจิตจะเข้าสู่ความสงบได้ไหมคงเข้าไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะไปทํากรรมชั่วมาหยกๆยกแล้วจะมานั่งภาวนาหรือทํากรรมชั่วอย่างต่อเนื่องมาเรามีโทษมีคดีอยู่แล้วเราจะมานั่งภาวนาจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบไหม ก็เป็นไปได้ยากแต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมศีลของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสม่ำเสมอมาโดยตลอดเวลาเราจะนั่งสมาธิใจของเราก็เป็นสมาธิอย่างแนบนิ่งมีความสงบเยือกเย็นเพราะเหตุใดเพราะว่าเรานึกดูการคิดการพูดการกระทำของเราเป็นศีลมาโดยตลอด แต่เมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อจิตใจของเราความอิ่มเอิบไม่หิวไม่โหยไม่กระสับกระส่ายเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาได้ชัดเจนขึ้นในตัวของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราศีลอย่ามองข้ามทั้งทานด้วยทั้งศีลด้วย คือทานก็อย่างที่ว่านคนมีน้ําใจคนมีเมตตาไปนักสถานที่ใดมีแต่คนยอมรับนับถือและกับตัวเองก็มีความสุขจิตใจไม่มีเพขไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเรามีน้ําใจมีเมตตามีการเสียสละและกับศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อย เราไม่ได้เบียดเบียนใครเราไม่ทำให้ใครทุกข์ใจกับเราศีล ส, สมาธิคือคือ ท, ทาใจของตนเองไม่ให้ปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลให้ใจของเรามีกรอบมีเหตุมีผลในตัวของเราเมื่อใจของเรามีสมาธิดีแล้วเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาไกลกันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลใจของเราก็จะเห็นเหตุเห็นผล เห็นความตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรพระแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรเราก็เห็นตามความเป็นจริงเพราะธรรมะเนี่ยเป็นของจริงเ่ยเป็นของที่ตามความเป็นจริงเป็นจริงอย่างไรธรรมะจะสอนอย่างนั้นธรรมะไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของหลอกคนนะไม่ใช่หลอกเราว่าสิ่งไหนที่เป็นอสุภะโลกทั้งโลกเขาว่าอันนี้คือของสวยงาม แต่ธรรมะของพระพุทธเจา้าเอออันนี้เป็นอสุภะนะเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะเป็นของปฏิกูลนะอันนี้คือธาตุสีดินน้ำลมไฟนะอยู่ในร่างกายของมนุษย์นะแต่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้คิดเหมือนกันมร่างกายก็คือร่างกายเท่านั้นเองแต่พอได้ยินได้ศึกษาจากธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าแล้วท่านให้แยกแยะดูว่าในร่างกายของเราเนี่มีธาตุสีดินน้ำลมไฟจากนั้นก็มีร่างกายของเรา แต่งแต่หัวจดเท้าเนี่ยมีอะไรบ้างอพราะพระพุทธเจ้าก็สอนอีกสอนกรรมฐานห้าให้แก่พระที่บวชมาในพระพุทธศาสนาเป็นพระหรือเป็นสมมณเลนเพระพระพุทธเจ้าก็ให้ให้พระอุปชาสอนกรรมฐานให้แต่เริ่มแรกเลยว่เกซาผมนะโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง สอนให้เพียงห้าข้อท่านี้พอก่อนหนะ้ะเพราะมีเวลาน้อยจากทัานค่อยขยายไปอีกถ้าเมื่อมีเวลาแล้วท่านต้องศึกษาขยายเข้าไปอีกตะโจหนังขยายเข้าไปอีกมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราเนี่เป็นอย่างนี้นะ อันนี้คือกรรมฐานกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าที่ท่านอบอกกล่าวสอนพวกเราท่านทาั้งหลายเพราะนั้นเรียว่าธรรมะเป็นของจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมให้ถามเรามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมก็ไม่มีใครปฏิเสธว่ามันไม่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงร่างกายของมนุษย์เรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็นบอกว่าร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะอ่ามันเป็นอเนก장ของไม่เที่ยงอ่าสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกษ์เนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกษ์สิ่งไหนเป็นทุกษ์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายนอะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่ยจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหาความจีรงังถาวรไม่ได้ในร่างกายของคนเราอ่าแต่ว่าเมื่อร่างกายแตกสลายไปแล้ว แต่จิตใจคือนมามธรรมดวงนี้ที่รู้ๆอย่างนี่ยมันจะไม่ตายไปด้วยนะาะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนแนะนําพวกเราอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นให้พวกเราใช้ปัญญาของพวกเราที่มีอยู่ที่พวกเราได้ศึกษานํามากันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น จนเกินไปใจของเราก็ไม่ทุกข์กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราได้พบได้เจอได้เห็น เ, เรื่องอะไรเกิดขึ้นมากับตัวของเราหรือกเกิดขึ้นม า, าในกลุ่มในหมู่ในคณะในวงสานาญาติของเราในประเทศชาติของเราเราก็พยายามวางตัวและพยายามไข้ควรด้วยธรรมโดยธรรมนะ เ, เราก็รู้จักปล่อยวาง ในจิตในใจแต่ส่วนภายนอกนั้นเราก็พยายามช่วยเหลือเจือจานท์ทำให้ดีที่สุดไม่ให้ขาดตกปกพ้องในภายนอกแต่ว่าส่วนลึกของใจแล้วพวกเราจะต้องปล่อยวางในจิตใจมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าว่าเราไม่มีธรรมะในจิตในใจมันทุกข์ทั้งภายนอกมันทุกข์ทั้งภายในด้วยภายนอกเราก็ทุกข์ภายในเราก็ไม่รู้จักปล่อยวางก็ทุกข์เองนี่แหละ หลักของพุทธศาสนาท่านให้ปล่อยวางที่ใจภายนอกนนท่านก็ให้ทาหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ภายในท่านก็ให้ปล่อยวางนั่นแหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาเอาไว้ธรรมธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายมีหลายมีหลายเล่หเหลี่ยมมีหลายชั้นเชิงแต่มันมีหลายท่านสอนในหลายระดับ แต่ถึงยังไงก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้วิธีการทําสมาธิทําอย่างไร อ, อ, อย่างนี้วิธีทําสมาธิทําอย่างไรหลวงพ่อเองก็ได้บอกกล่าวได้สอนให้ใหแก่พวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมนะเรื่องสมาธินี่อย่าปลาดเสีจากสติถือว่าสติมาในอันดับหนึ่งสติสัมปชัญญะ สติคือความระลึกได้สัมปชัช ญ, ญะคือความรู้ตัวถ้าว่าเรามีสติสัมปชัช ญ, ญะอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วนั่นหละคือการทำความภาคเพียร น, นั่นหละคือการทาสมาธิแต่ถ้าว่าเราขาดสติเมื่อไรถึงเราจะนั่งภาวนาจิตใจของเรากระปุงฟุ้งออกไปข้างนอกคิดไปทางไหนก็ไม่รู้อันนั้นแปลว่าถึงจะทำท่านั่งภาวนา ก็ไม่ใช่ว่าเรานั่งภาวนานนะเรานั่งแต่อากับกิริยาของร่างกายเท่านั้นเองแต่จิตใจของเราปุ่งฟุ้งไปทางไหนก็ไม่รู้เอออันนั้นแปลว่าไม่ถูกหลักร่างกายของเราก็ให้นั่งนิ่งแต่จิตใจของเราก็ให้อยู่กับตัวเองให้อยู่กับความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในร่างกายของตนเองนั่นแหละอันนั้นแ่ะคือความถูกต้องก็ขอให้นั่นะขอให้พวกเราทุกทกท่านนะ นั่งสมาธิเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทให้มีสติสัมปชัญญะถ้าว่ามันคิดปรุงพุ้งออกไปข้างนอกก็พยายามดึงกลับมาให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นแหละนี่แหละอันนี้แหละคือกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราเนี่ยท่านแนะนำสั่งสอนให้ทำอย่างนี้สรุปแล้วก็คือสติสัมปัญญะนะ สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้พิจารณาให้กำหนดดูนะเวลากล้าวเดินอะ อ, อริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนทำยังไงเเวลาเดินกับขาขว า, ขาพุทธขาซ้ายโถนะเวลาเราเดินจะเดินในอริยบทไหนก็ตามเดินช้าเดินเร็วก็ให้มีความรู้สึกในการเคลื่อนไหวของตัวเอง การเคลื่อนไหวของเราอย่างไรเราให้รู้สึกให้มีสติสัมปชัญญะในความเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะที่เราเดิน HTML. เวลาเราย iez, ืนก็เหมือนกันเรายืนอากับกิริยาของเรายืนยืนก็กําหนดจะกําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโทรก็ได้หรือว่าดูอาการของเรายืนอยู่ให้มีสติสัมปชัญญะในการยืนของเราเรามี่อกับกิริยาอย่างนี้เรายืนอย่างนี้ ร่างกายของเราเป็นยังไงก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการยืนและกการเด็กนอนก็เหมือนกันเวลาเรานอนตะแคงขวาอย่างนี้เรากักบกาหนดดูตัวของเราเรานอนขณะนี้เรานอนเราคิดเรื่องอะไรอากับกิริยาของกายของเรานอนอยู่อย่างนี้เป็นยังไงอันนี้แปลว่าการนอนแต่นอนไม่ใช่นอนหลับนะถ้านอนหลับแปลว่าหมดสธิจนการพิจารณา ถ้าว่ายืนเดินนั่งนอนบางคนนอนไปหลับก็มีนะภาวนาไปเรื่อยพุทธโธพุทธโธดูอกับกิริยาของตัวเองที่นอนมีสติสัมปชัญญะอันนี้ก็ภาวนาได้เหมือนกันอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเป็นการภาวนาได้ทั้งนั้นสรุปแล้วก็คือเมื่อไม่ขาดสติยืนเดินนั่งนอนถ้าไม่ขาดสติให้มีสติสัมปชัญญะ ในกาท่ายืนเดินนั่งนอนอันนั้นแหะคือท่าภาวนานะแต่ถ้าว่าเราเผลอไปถึงจะนั่งถึงจะยืนเดินอะไรก็ตามถึงจะเดินจงกรมอยู่ก็ตามแต่เราคิดปุงฟุงออกไปข้างนอกอันนั้นก็จัดว่าไม่ใช่ภาวนานะให้ถือถือว่อย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะเดินยกรมกับขาขวาพุทธขาซ้ายโถหลงพ่อเคย สาธิตวิธีการเดินอยองกลมอยู่ใน m p 3พหลวงพ่อก็เคยพูดให้ฟังว่าเดินยังไงในการเดินวิธีนั่งนั่งยังไงในการนั่งนะวิธีการกำหนดกําหนดยังไรหลวงพ่อก็บอกวิธีการเบื้องต้นให้แก่พวกเราได้ศึกษาอยู่แล้วแต่การพิจารณาพิจารณาอะไรหลวงพ่อก็พูดมากต่อมากเกี่ยวกับการพิจารณาอสุภะไล่เลียงเราจะกาหนด ภาวนากำหนดภาวนาแยกอยู่แยกแยะดูธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือจะแยกแยะเป็นความแก่ความเจ็บความตายหรือเราจะแยกแยะเป็นอสุภะร่างกายอาการ32ของร่างกายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแยกแยะแบ่งส่วนจัดแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายอย่างนี้ อันนี้คือคือปัญญาวิปัสสนาสรุปแล้วก็คือการภาวนานมีอยู่สองสมถะคือทำจิตใจให้สงบะจะทำยังไงใจของเราจะสงบเป็นหนึ่งไม่หิวไม่โหยไม่กระสับกระส่ายไม่ปุงฟุ้งออกไปข้างนอกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตใจนิ่งอยู่กับตัวเองอันนี้เรียกว่าสมัติส่วนวิปัสสนานั้นก็คือ แยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงกระดูกของเราเป็นยังไงแหมสมมุติว่าโครงสร้างในร่างกายของเราเนี่มีอะไรบ้าง เ, เรานั่งโดยกันทุกค น, นมีกระโหลกถ้าว่าไม่มีหนังไม่มีเนื้อไม่มีอะไรให้มีแต่กำหนดให้มีกระดูกอย่างเดียวเนี่ยพวกเราก็จะเห็นกระดูกกันนั่งอยู่ที่ศาลานี่เกือบร้อยชีวิตหรือร้อยกว่าชีวิตนี่ จะเห็นกระดูกขาวโพนไปหมดให้พิจารณาอย่าให้มีเนื้อหนังเอ็นกระดูกนะให้เห็นแต่กระดูกอย่างเดียวนะ่ะพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยคงจะเห็นกระดูกขาวโพนไปหมดทุกทุกคนเพราะกระดูกของเราเป็นโครงสร้างของร่างกายจริงไหมไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่จริงนะแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองแต่เรากำหนดดูแล้วมันเป็นของจริงเพราะนั้นร่างกายของเราทุกคนนะ มีกระดูกเป็นโครงสร้างเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เ ว, ล, วลาภาวนาทางวิปัสสนาการแยกแยะให้พิจารณาถึงกระโหลกศีรษะของเรามีอะไรแหกระโหลกศีรษะของเราแห เ, เป็นลักษณะอย่างไรเท้าตาออกอมีแต่กระดูกจะเป็นยังไงจมูกเป็นยังไงขากรรไกเป็นยังไงฟันเป็นยังไงกระดูกคอเป็นยังไงกระดูก ให้ปารากระดูกแขนเป็นยังไงแต่ละข้างแขนขวาแขนซ้ายข้อกระดูกศอกข้อศอกของเราเป็นยังไงกระดูกแขนป้องบนป้องล่างเป็นยังไงกระดูกฝ่ามือเป็นยังไงกระดูกนิ้วมือเป็นยังไงดูทั้งซ้ายทั้งขวาจากนั้นก็กตรงไปกระดูกหลังกระดูกชี้โครงของเราเป็นยังไงกระดูกบั้นเอวเป็นไรเป็นไงกระดูกขาเป็นไรกระดูกสะโพกเป็นยังไง แหมกระดูกขากระดูกหัวเข่าเป็นไงกระดูกแข้งเป็นยังไงกระดูกฝ่าเท้าเป็นไงกระดูกนิ้วเท้าเป็นยังไงให้ดูแต่กระดูกอันนี้แหละว่าวิปัสสนาคือแยกแยะให้เห็นร่างกายของตนเองจากนั้นเมื่อเราพิจารณาให้ดูแต่กระดูกอย่างเดียวกระดูกร่างกายของเราเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็คือเราเคยเห็นกระดูกแหมอยู่ในแผ่นกระดาษก็ดีเห็นกระดูกของจริงที่เขาแขวนไว้ก็ดี และก็มาเปรียบเทียบกับตัวของเราเราเป็นกระดูกอย่างนั้นใช่ไหมในร่างกายของเราเนี่ยอันนี้แปลว่าเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในนะจากนั้นเราเห็นร่างกายของเราคือเปรียบเทียบในจะ่นเห็นร่างกายของตนเองนี่แหล ะ, ม, like นละมนุษย์ของเราเป็นอย่างนี้นะร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างนี้นะใจ lives, นะทีนี้พอเห็นร่างกายแล้วก็ให้ย้อนเข้ามาหาใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมให้สอนใจตัวเอง ร่างกายของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะเป็นของไม่เทียงแท้แน่นอนนะอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะต้องแตกจะต้องสลายในที่สุดให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็จะไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่เกิดกิเลสราคะโทสะโมหะในร่างกายของเราเห็นตามความเป็นจริงจากนั้นใจของเราก็ อ่ารู้รอบขอบขอบชิบชดมังงั้นเถอะรู้จริงเห็นจริงเนีตามที่พระพุทธเจ้าที่พระแม่ครูบาอาจารย์แนะนํำสอนใจของเราก็อิ่มตัวเอ่อจริงใจอิ่มตัวใจมีความสุขใจไม่หิวใจไม่หยใจเบื่อเออนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายใจก็จะหลุดพ้นดีดตัวออกมัางงั้นเถอะเอ้มันก็เหมือนกับ เ, เ, เราดีดตัวออกจาก สิ่งที่หมักหมมสิ่งที่เป็นทุกข์ทิ่งที่จะทําให้ตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายเอาเกิดพบชาติไม่มีที่สิ้นสุดนะดีดออกเป็นอมตะธาตั้งอมตะธรรมทีนี้จิตใจที่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษานะศึกษาไปทีละน้อยละน้อยพวกเราจะรู้แจง้งเห็นจริงไปเรื่อยๆนะอพยายามทำํำไปเรื่อยๆพวกเราจะ รู้ขึ้นไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆและจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรเนี่ยใหม่ๆเราก็ได้ฟังนูก้กัสับสนแต่ก็ฟังเอาไว้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่มันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังยิ่งธรรมะทำคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึง้งจุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์งสูงสุดของพระพุทธศาสนาคืออะไร ธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้มุ่งหวังอันสูงสุดนั้นคืออะไรท่านให้มุ่งหวังพระนิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนั้นนั่นคือจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าขอนันเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ท, ทุกทุกท่านนะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะวันนี้หลวงพ่อจะให้พวกเราฟังธรรมเทศนาของหลวงตาสักกันหนึ่งเพราะพวกเราไม่ได้ฟังมานานไม่ได้ฟังมาพร้อมกัน แต่ได้เปิดในวิทยุนะก็หลวงพ่อเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพวกเราฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่วันนี้หลวงพ่อจะเปิด MP ็สาให้แก่พวกเราได้ศึกษาได้ฟังสักกันหนึ่งก่อนจะแยกย้ายกันกลับนะเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิเลยก็ได้นะเพราะนั่งสมาธิแล้วจะเปิดธรรมเทศนาขององค์หลวงตาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อไป